ต้องสงสารเด็กขอทานถูกตัดมือตัดเท้าไหมถามถ้าบอกว่าทุกคนเป็นไปตามกรรมของตอนที่เคยทำมาอย่างนี้ก็ไม่ต้องสงสารเด็กขอทานที่ถูกตัดมือตัดเท้าใช่ไหมเพราะพวกเขาก็คงเคยทำอย่างนี้มาเหมือนกันต่อ ควรสงสารเหมือนเดิมครับแต่เปลี่ยนมุมมองใหม่อย่าไปเครียดแค้นคนที่ทำกับเด็กอย่างนี้ให้สงสารและเห็นใจที่ต่างก็พลาดทำบากมาหันไปด้วยความไม่รู้มั่นพิจารณาให้หนักว่าด้วยความไม่รู้สัตว์จึงก่อบาปหากศรัทธากรรมวิบากแล้วรู้ชัดในเหตุผลกนกรรมวิบากจำแจ้งแล้วสัตว์ย่อมประกอบแต่บุญและไม่เฉียดบาปเลยแม้แต่จะคิด ภาพน่าสลดสังเวชของเด็กที่ถูกตัดมือตัดเท้าจะไม่ยุติบนสะพานลอยที่คุณเห็นแต่มันจะเป็นรากที่ทอดเงาไปสู่ความมีภาพเช่นนี้อีกส่วนภาพหน้าเวทนาของเด็กที่ถูกตัดมือตัดเท้าในปัจจุบันก็สมเหตุสมผลกับอดีตกรรมของพวกเขาแล้วไม่มีใครเคราะร้ายโดยบังเอิญกรรมเก่าที่ทาเป็นประจำ จะบังคับเส้นทางชีวิตของทุกคนอยู่อย่างเสมอภาคอย่างไรก็ตามในฐานะเพื่อนร่วมทุกขเพื่อนร่วมโลกอันควรมีหน้าที่เกื้อกูลกันและกันเมื่อพบเห็นเด็กถูกทําร้ายก็ขอให้ทราบว่าผู้พบเห็นเช่นคุณคือโอกาสรอดของเขาช่วยอะไรได้ก็ช่วยรู้เบาะแสแจ้งจับได้ก็แจ้ง หรือมีส่วนร่วมมือกับราชการในทางใดทางหนึ่งได้ก็ร่วมไม่ใช่พอรู้ว่าเป็นเรื่องของกรรมวิบากแล้วจะแปลว่าสมควรดูได้ครับ